น, นี้มาถึงวรที่สิบแปดเรียกว่ามาละวัคคะวันน า, นาหรือว่าด้วยมลทินวรว่าด้วยมลทินต่างต่างหัวข้อที่หนึ่งเหมือนใบไม้เหลืองแปลจากพุทธภาสิต ท, ที่เป็นภาษาบาลีว่า บัดนี้ท่านเป็นดุลใบไม้เหลืองอวงเล็บคือชาราอันหนึ่งยมบุรุษคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมสเบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตหรือคนดีท่านกำจัดมนทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสจะถึงอริยภูมิมันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชาราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีสเบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกําจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากไม่เข้าถึงความเกิดและ ความแก่อีกพระาศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนจะหลน่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโรคคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีสเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำสเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วย เพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัตรจึงจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรที่จะต้องรวบรวมสเบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดสเบียงย่อมลำบากฉันใดคนเดินทางในสังสารวัตรก็ชั้นนั้น เมื่อกาดสเบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกาเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสเบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวยนในสังสารวัตรนี้ต้องสแสวงหาสเบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เสมอถ้าไม่หาเพิ่ม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 ถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฒก็ส่งสอนให้รีบกำจัดมนทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัตรก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมนทินนั้นทรงแสดงไว้เก้าอย่างคือความโกรธหนึ่งการลบหลูคุณท่านหนึ่ง ฤติยาหนึ่งตระนีหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพูดปดหนึ่งมีความปรารถนาลามกหนึ่งและมีความเห็นผิดมวลทินเหล่านี้ส่งสอนให้กําจัดเสียเมื่อกําจัดได้แล้วจัะถึงอริยะภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามี จะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้เรียกว่าอริยภูมิพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชาราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชาราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างพกนี้และพพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากพบนี้ก็เข้าถึงพบหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้น การเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเช้าตั้งแต่อยู่ในพบนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในพบนี้ครั้นเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับ ข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ํากับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกําจัดมนตินได้แล้วจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจะไม่ต้องเข้าถึงชาติและสราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภ บ, บุตรของนายโคคาดวงเล็บพลข้าวบัวมีเรื่องย่อดังนี้บุตรของนายโคคาดชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางข้าวบัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปีข้าโคแล้วแบ่งเนื้อไว้กินเองบ้างขายบ้าง แม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือพระเฉตตวันมหาวิหารเมืองสาวัตินั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายเข้าต้มหรือเข้าสวยแม้ทัพีเดียวนายโคคาดนี้เป็นคนติดเนื้อถ้าไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาอคือหลังจากขายแล้วส่งให้ภรยาปิ้งตนเองไปอาบน้าที่ท่าน้ำ ขณะที่นายโคคาดกําลังอาบน้ําอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามภรรยาของโขคาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมภรรยาของโคคาดตอบว่าไม่มีสําหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสําหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทําเลี้ยงเขา เมื่อภรรยาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเสียเฉยๆถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันภรรยาของโคคาทก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมือนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีภรรยาตอบ อ้าวก็ชั้นให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนชั้นไปอาบน้ำมิใช่หรือภรรยาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้วโคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล้วงเข้าไปในปากในปากของมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกลีบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้เมียเขาเอาไปปิ้ง เลือดไหลออกจากปากโขไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลาจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวสุกก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็ดุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเองเขาลงคลานสีขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรม ทำกาละแล้วเกิดในอเวตีมหา n รกบรรดาบุตรของนายโคคาดพูดกับบุตรว่ารูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจะตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงนี้ไปเสเด็เถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปไปอยู่เมืองตักะศิลา เรียนศินลปร์รับช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆคือพวกช่างทองทำพวกรูปประพันคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงชีพได้ ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตขึ้นเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระตนตรตรส่วนบิดาของเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่า พ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตกศะสีลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสเวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสเวยเสร็จเข้าทูลพระพุทธองค์ว่าพัดนี้เป็นชีวพัดชีวพัดหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมัตตกะพั คื อ, อาหารที่อุทิศให้ผู้ตายตาย อ, อุทิศให้คนมีชีวิตเขาเรียกว่าชีวพัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองสเบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มี ท่านจงทมที่เพิ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นมเมื่อจบพระธรรมเทศนาสองคาถาแรกอุบาศกได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลรัตนาพระศาสดาไปเสวยที่นั้นอีก พระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังบุบาศกดํารงอยู่ในอนาคามิผลอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมมอนกันอันนี้กรรมถ้ากรรมหนักๆบางทีมันก็ให้ผลทันตามันกันเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าเนี่ยบางทีเราฟังอาจจะเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแม้ปัจจุบันนี้เนี่ย หลายท่านหลายคนก็คงเคยเห็นเนี่ยแม้ผมเองเลือตาหมาเองก็เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ฆ่าสัตว์ใหญ่ๆฆ่าโคฆ่าอะไรเนี่ยที่เห็นชัดก็คือมีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านอายุรุ่นราวข่าวพ่อเนี่ยเขานิยมชอบฆ่าวัวฆ่าควาย เ, ยเวลาป่วยอายุเพิ่มห้าสิบกว่าป่วยป่วยแล้วจะเพ้อ ว่าเวลาจะหลับเวลาจะหลับนี่ก็จะเพอ้อทันทีเพอ้อสะดุ้งจนนอนไม่ได้ลุกขึ้นมาร้องเนี่ยร้องให้คนช่วยคนก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาเห็ น, นเขาเห็นในนิมิตของเขานีแล้วเป็นอยู่งนั้นตลอดเลยเป็นพอป่วยมากก็เป็นลักษณะนั้นถ้าเรกว่าอาสนากรรมใกล้ๆจะตาย น, นี่กรรมต่างๆมันจะประเดประดังกันมาเนี่ย คือส่วนมากคนเวลาป่วยหนักๆจะนึกถึงอดีตเยะอะอดีตที่สั่งสมไงเพราฉะนั้นในคาถาอันนี้ท่านว่าควรสั่งสมความดีเอาไว้เนี่ยพอถ้าอย่างนั้นไม่มีสเสบียงเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเสบียงก็คือบุญกุศลที่เรานึกถ้าเรานึกไม่มีบุญกุศลก็นึกถึงบาปบาปที่ทําไว้มากมันก็จะไปก่อกวนจิตใจเนี่ยก็เดือดร้อนเอาภายหลัง เป็นนึกได้ตอนนั้นมันก็สายเสแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าอย่าประมาทบางคนชอบชนไก่ก็ไก่จะตายก็เอามือตีกันจนแตกหมดเได้ไหมอันนี้หลวงพ่อชาเคยไปโปรดที่โรงพยาบาลตอนนั้นมาบวชอยู่ไม่ได้ไปกับท่านท่านกลับมาท่านเล่าให้ฟังญาติลูกหลานจมผูกเชือกไว้กับเตียงทางนั้นก็จะชนกันนี้ตีเชียไก่ตีกันจนมือแตกหมดอ่ นั่นก็เป็นเรื่องกรรมนะมันไม่ใช่ธรรมดาเนะ่เรื่องภายในจิตใจมันเป็นเรื่องลึกลับ เ, เราจะประมาทว่ามันมองไม่เห็นไม่ได้เนี่ย เ, เพราะว่าเราทำเราเป็นคนจดเราเป็นคนอ่านเราเป็นคนรู้ เ, เราทำกรรมใดว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเราเป็นคนจดเอาไว้ทั้งนั้นยันเราก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผลของกรรมด้วยหัวข้อที่สอง กำจัดมนลถินทีละน้อยมีพระพุทธภาสิทธทีพระองค์ตัดไว้ว่าอนุปุเพนเมธาวีโถกังโกถังคเนคเ น, เนกัมมาโรรละจตัดเสวะนิทัเมมละมะตะัตตโนแปลว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนลถิ่นของตนทีละน้อยทุกๆุกขณะโดยลำดับ เหมือนช่างทองกำจัดมนทินของทองฉะนั้นมณทินของตนก็คือมนทิน9ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งคือในนี้จะอ่านมาฟังกันมาเยอะแล้วแห่งวรกนี้ทรงสอนให้กำจัดมนทินทีละน้อยแต่ขอให้กำจัดทุกวันและบ่อยลงไปอีกทุกชั่วโมงให้ละเอียดทีเข้าอีกทุกขณะ ตามภาษาพระเรียกว่ากำจัดมณทินทุกอิริยาบถ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของชาวพุทธคือกาจัดมณฑินหรือกาจัดกิเลสให้ได้ทุกวันวันละน้อยก็ยังดีกาไรของชีวิตจริงๆประจําวันนั้นคือการเอาดีใส่ตัวกาจัดชั่วออกจากตัวแต่ไม่ใช่เอาไปใส่คนอื่น หน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันชอบธรรมของทุกคนใครเอาดีใส่ตัวคือทำความดีได้มากและเอาชั่วออกจากตัวคือกำจัดมนทินได้มากเท่าใดก็ใกล้นิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามก็ไกลนิพพานใกล้ น, น, กลนรกเข้าไปทุกทีในที่นี้จะพรันานาถึงมนทินสี่ประการคือลบหลู่คุณท่านหนึ่ง ริษยาหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพร้อมทั้งเหตุเกิดและวิธีกาจัดแต่โดยย่อส่วนมนทินอีกห้าประการได้พณนาไว้ในที่อื่นแล้วหลายอย่างและหลายแห่ง 1. การลบหลูขุดท่านการลบหลูคนท่านคืออาการที่ปฏิเสธคุณของท่านผู้มีคุณบาลีใช้คำว่ามักขะเป็นหนึ่งในอุปกิเรศส16ด้วย อุปกิเลตแปลว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองการไม่รู้คุณท่านเรียกว่าอากตัญยูการไม่ตอบแทนคุณท่านเรียกว่าอากตะเวทีการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามักกะคนมีมักกะต่ำกว่าเรวกว่าคนอกตัญยูอากตะเวทีเป็นคนชั่วช้าสารเลวบางคนเรียนจบจากสถาบันหนึ่งเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้แล้ว แต่พอถูกถามเกิดละอายขึ้นมาเห็นสถาบันนั้นไม่มีเกียรติพอจึงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนสําเร็จมาจากสถาบันนั้นแต่กลับอ้างอีกสถาบันหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเรียนว่าเป็นแหล่งที่ตนสําเร็จออกมาอย่างนี้มักขะแท้ภาษาไทยเรียกว่าคนเนรคุณคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครเจริญไปได้ตลอดสักคนเดียว บางคนเกิดต่างจังหวัดเป็นคนชนบทบ้านนอกพ่อแม่สู้อุตสาห์เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่งให้เรียนกรุงเทพจนสำเร็จออกทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีลูกน้องมากมีคุณนายเป็นชาวกรุงมีเพื่อนฝูงมีหน้ามีตาพ่อแม่ทราบข่าวก็ดีใจพากันมาเยี่ยมลูกแต่ลูกทำไม่รู้จักเซนี่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เนรคุณเหมือนกันลบหลูคุณท่าน ท่านมีคุณแก่ตนไม่ยอมรับว่ามีคุณเหตุเกิดของมนทินตัวนี้ก็คือโมหะคือความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงไปว่าตนเป็นคนชั้นสูงผู้มีคุณเป็นคนชั้นต่ำลูกศิษย์บางคนพอเรียนเกินอาจารย์ไปหน่อยก็ดูหมิ่นอาจารย์ขาดความเคารพอาจารย์ใครถามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์กลัวจะเสียเกียรติ นี้ก็เนรคุณเหมือนกันวิธีแก้มกขะก็คือการยอมรับความจริงแล้วเผชิญหน้ากับความจริงกล้าทำกล้าพูดและกล้าคิดในสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงใครจะดูหม่นดูถูกนั่นเรื่องของเขาแต่เชื่อว่าคนดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆเขาจะดูถูกเฉพาะแต่คนที่แสดงความเลวให้เขาเห็นเท่านั้นเขาจะไม่ดูถูกเรื่องเรา จบมาจากสถาบันไหนเรื่องพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรสามล้อเป็นต้นสองริษยาริษยาคืออาการที่เห็นใครได้ดีทนไม่ได้ให้มีอาการเดือดร้อนแล้วหาทางใส่ร้ายป้ายสีเขาข่มพุนข้องเขาเมื่อได้ยินใครสรรเสริญผู้อื่นฟังแล้วร้อนใจต้องหาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ลงไปเพื่อให้คุณของเขาเจือจาง บางคนถึงกับต้องหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความริษยาเป็นเหตุริษยาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเห็นว่าตนสู้เขาไม่ได้และขาดความพอใจในคุณสมบัติของตนอาการนี้จะหายไปเมื่อคนมีความเชื่อมั่นในตนมีความพอใจในคุณสมบัติของตนวิธีแก้ริษยาท่านว่าให้เจริญพรหมวิหาร ขมุทิตาแปลว่าพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรู้จักถนอมความดีมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความดีไม่ว่าของตนมีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นมีอยู่ในผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรถนอมทั้งสิน้นไฟคือความฤทิษยานี้ใครจุดขึ้นในอกมากมันก็ไหม้อกของผู้นั้นและให้ร้อนคนอื่นถ้าจะเดือดร้อนก็ทีหลัง 3. มายามายาในที่นี้หมายถึงความเจ้าเล่ห์คือความจริงอย่างหนึ่งแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่แสดงอาการว่ารักเขาไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่แสดงอาการว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่มีศีลธรรมไม่สงบแต่แสดงอาการว่ามีศีลธรรมและเกินสงบและเกิน 3.1 เรื่องนกยางเจ้าเล่ห์ ในบึงใหญ่แห่งหนึ่งมีปลาอยู่มากปีหนึ่งฝนแง้งน้ำในบึงแห้งขอดลงไปทุกทีจนพวกปลาพากันวิตกว่าน้ำจะแห้งหมดไม่ทันฝนใหม่มาจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบังเอิญมีนกกระยางตัวหนึ่งมายืนหลับตาอยู่ริมบึงปลาทั้งหลายเห็นผิดสังเกตเพราะธรรมดาที่เคยเห็นเห็นแต่นกกระยางที่เที่ยวเดินย่องหาปลา พวกปลาได้สังเกตมาหลายวันเห็นนกยางยืนหลับตาไม่สนใจยาดีกับปลาเล็ดปลาน้อยที่แวะเวียนมาริมฝั่งเพื่อดูพฤติการประหลาดของมันครั้งนั้นปลากลุ่มหนึ่งถามขึ้นว่านกยางมายืนหลับตาอยู่ทาไมที่นี่พวกเราสังเกตเห็นหลายวันมาแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินนกยางตอบท่านไปทำอะไรมาปลาถาม ขนปลาจากบึงโน้นไปไว้ที่ทะเลสาบบึงโน้นน้ำแห้งมากกว่าบึงนี้ฉันต้องลำเรียงปลาจนไม่มีเวลาจำศีลภาวนาพอว่างหน่อยก็ต้องรีบมายืนหลับตาอยู่ริมบึงนี้เพราะพวกเองไม่รบกวนข้าข่าวนี้แพร่ไปในสังคมปลาอย่างรวดเร็วปลาซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็ชุมนุมกันส่งตัวแทนมาขอความช่วยเหลือจากนกยางขอให้ช่วยขนพวกตนไปไว้ที่ทะเลสาบบ้าง ทีแรกนกยางปฏิเสธเพื่อไว้เชิงในที่สุดก็ยอมรับว่าจะขนปลาไปไว้ที่ทะเลสาบเพราะทนดูความเดือดร้อนของปลาไม่ได้ด้วยอุบายนี้นกยางได้ขนเอาปลาไปกินเสียมากต่อมากนี่คืออาการเจ้าเล่ห์ของนกยาง 3.2 ดาบดทเจ้าเล่ห์ดาบดผู้หนึ่งเป็นที่รักเลื่อมใสของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งพราหมณ์ได้เชิญดาบดฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นประจำ ต่อมาพรามณ์ได้ทองมาจํานวนหนึ่งห่วงเล็บทองลิ่มจะเก็บไว้ที่บ้านก็เกรงอันตรายจากโจรจึงได้นำไปฝากดาบวดไว้ขุดหลุมฝังไว้ใกล้อาสมของดาบวดนั้นขอร้องให้ท่านช่วยดูแลด้วยดาบวดก็รับปากด้วยดีต่อมาโลภเจตนาหรือความโลภเกิดขึ้นแก่ดาบวดเขาคิดว่าทองจํานวนนี้สามารถเป็นเครื่องเลี้ยงชีพได้อย่างสบาย จึงขโมยทองของพราหมณ์อุปถากเก็บรวมไว้ในอาสมอย่างดีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นไปสันอาหารที่บ้านพรามณ์ตามปกติสันเสร็จแล้วก็ลา ก, กับอีกครู่หนึ่งต่อมาดาบอดเดินกลับมายัางเรือนพราหม์อีกเมื่อพราหมณ์ถามถึงธุระที่กลับมาจึงกล่าวว่าเมื่ออัตมาเดินออกไปจากบ้านท่านเส้นหญ้าแห้งเส้นหนึ่งหล่นจากชายคาเรือนของท่านติดอยู่ที่ชดา อาตมาเพิ่งเห็นจึงเอามาคืนธรรมดานักพรสย่อมไม่มีเอาของที่เจ้าของอยังไม่ให้แม้แต่เส้นย่าพรามได้ฟังดังนั้นเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกกล่าวว่าโอ้พระคุณเจ้าของเรามีคุณหน้าอาศัศจริงเมื่อดาบทกลับไปแล้วมีพรามหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมาซื้อของที่ร้านได้เห็นเหตุหการณ์ที่ดาบท น, นเอาเส้นญ้ามาคืนเห็นเป็นเรื่องผิดสังเกตจึงถามเจ้าของร้าน คือพราหมณ์ผู้เป็นอุปถากว่าได้ฝากอะไรไว้กับดาบดทนั้นบ้างหรือเมื่อพราหมณ์ตอบว่าได้ฝากทองไว้เขาจึงบอกให้พรามณ์รีบไปดูเขาเชื่อว่าดาบดทคงขโมยของไปเสแลพราหมณ์รีบไปดูที่ฝังทองไว้ปรากฏว่ามีรอยขุดรอยกลบเมื่อรื้อดินดูก็ประจักษ์ว่าทองหายไปหมดแล้วอาการของดาบดทนั้นเข้าลักษณะเจ้าเล่เหมือนกัน เคยเห็นพระบางรูปเคร่งจนเกินเหตุเคร่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อาบัตตัวใหญ่ๆไม่ถือทำเพื่อหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจว่าความชั่วเล็กน้อยอย่างนี้ท่านยังไม่ทำท่านจะทำความชั่วใหญ่ๆได้อย่างไรอาบัตเพียงทุกกดทุกาสิทธ์ท่านยังไม่ยอม่วงท่านจะล่วงอาบัตปาราชิกสังขาที่เสดได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเคร่งอาบัตเล็กเพื่อปกปิดอาบัตใหญ่จเจ้าเล่เหมือนกัน ในอัตกถาธรรมบทได้เล่าเรื่องพระบางรูปนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ตามทางที่มนุษย์เดินไปมาบางรูปกวาดวัดเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้ว่าชาวบ้านจะมาไหว้เจดีย์หรือฟังธรรมเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าวัดนี้สะอาดเพราะอาศัยพระคุณเจ้ารูปนี้เท่านั้นยังมีอาการอื่นๆ อ, อีกมากที่แสดงถึงความเจ้าเล่ห์แสนกลของคนพัฒ น, นากันไม่หมดสิน้นขอุติเพียงว่าอาการที่ไม่จริงใจ ตนก็รู้อยู่ว่าไม่จริงใจเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิด 3.3 มาือีตีเฮียใกล้อาสมลือสีมีเฮียตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันจะออกมาจากโพรงไม้หรือรูข้างมันมาทำความเคารพลือสีทุกวันต่อมาวันหนึ่งลือสีไปได้เครื่องแกงมาจากบ้านผู้มีอุปการะเมื่อได้เครื่องแกงมาแล้วก็อยากกินเฮีย จึงตั้งใจว่าเมื่อเฮียมาทำความเคารพจะปาด้วยท่อนไม้ให้ตายทันทีจึงเอาท่อนไม้แอบไว้ข้างหลังนั่งทําทีเป็นหลับตาภาวนาแต่คอยหลีตามองเฮียอยู่เรื่อยพอเฮียมาทำความเคารพเห็นฤาษีนั่งท่าผิดปกติกว่าทุกวันจึงระวังตัวเป็นพิเศษฤาษีกะว่าพอดีแล้วจึงปาไมา้มุ่งหมายให้ถูกทีเดียวตายเนื่องจากเียระวังอยู่แล้วจึงหลบทัน หนีลงรูไปเมื่อลงรูแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาด่าลือสีเสียอีกว่าเคลี้ยงแต่ภายนอกส่วนภายในรุงรังเหมือนขี้มา้ามันจะไปให้ไกลแสนไกลไม่ขอพบลือสีอย่างนี้อีกเสียแรงหลงเขารบนับถือมานานตามปกติคนเราเมื่อจะด่าใครแรงๆก็ด่าว่าเหียใครถูกด่าว่าเหียก็เจ็บนักเจ็บหนาแล้วลือสีคนนี้ถูกเียด่าเสียอีก ลองคิดดูสิว่าจะเลวขนาดไหนเลวขนาดที่อดทนไม่ไหวต้องด่าเอาเหตุเกิดของมายาคือการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาไม่รู้เท่าตัวพร้อมกันนั้นเขาเป็นการดูหมิ่นตัวเองลบเกียรติศักของตัวเองไปด้วยวิธีละมายาก็คือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้งรักเกียรติศัก์ของตัวสอนตัวเองไว้เส ม, อ, สมอว่าเรื่องอย่างนั้นเราทําไม่ได้ 4. มักอวดหรือโอ้อวดมาจากคำว่าสาไทยคนขี้โอหรือมักอวดมักไม่ค่อยมีดีจริงคนโอ้อวดเรื่องใดก็มักจะมีคนสมบัติคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยส่วนคนมีดีจริงกลับพอใจปกปิดคุณสมบัติของตนไม่อยากอวดให้ใครรู้กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่เต็มลมพัดไม่ดัง รวมไว้หลายกระบอกหิ้วเดินก็ไม่ดังแต่กระบอกเปล่าลมพัดก็ดังรวมไว้ด้วยกันแล้วหิ้วเดินกระทบกันเสียงดังฉันใดคนมีคุณสมบัติเต็มในตนย่อมไม่โอ้วดใครล่อให้อวดก็ไม่ค่อยอวดจะพูดถึงความดีหรือคุณสมบัติของตนบ้างก็เมื่อถูกถามและพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์ เพื่อให้ภาษาวกถือเป็นทิฏฐานุกติดำเนินตามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดเพราะพระองค์ไม่มีสาไทยแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาในการพูดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไม่เป็นสาไทยถ้าไม่มีเจตนาในการโอร้อวดอีกคนหนึ่งพูดเป็นสาไทยถ้ามีเจตนาในการโอร้อวดคนมักอวดก็เพราะเข้าใจว่าตนยังด้อยยังมีปมที่เกรงคนอื่นจะดูหมิน่น จึงรีบอวดเสียก่อนดังนั้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่อวดมั่งอวดมีก็คือคนจนคนอวดรู้ก็คือคนไม่มีความรู้อะไรจริงจังคนอวดดีคือคนที่มีดีน้อยคนอวดใหญ่อวดโตก็คือพวกลูกจอกเขาส่วนคนที่มั่งมีจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงสมบัติของตนคนมีความรู้จริงกลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนรู้ คนใหญ่จริงกลับอ่อนน้อมถ่อมตนนักประพันธ์ใหญ่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักประพันธ์ความโอ้อวดเป็นมนทินใจอย่างหนึ่งที่ทำคนให้เศร้าหมองหน้าเกลียดหน้าชังยิ่งโอ้อวดมากคนยิ่งเกลียดมากไม่เป็นมงคลแก่ตนความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องอวดอวดแล้วคนฟังก็ยิ้มเยาะรับหลังต่อหน้าเขาอาจจะเออ อ, อไป ขอให้คนขี้อวดโม้ต่อไปจนหมดไส้หมดพุงหลงท้ายก็เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำบางทีคนอื่นไม่อยากฟังเพราะรู้ว่าต้องมานั่งฟังความเท็จทั้งสีอย่างดังกล่าวมาเป็นมนทินใจทำตนให้เศร้าหมองและกระจายความเศร้าหมองนั้นไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อมนทินอย่างใดเกิดขึ้นในใจก็ควรกาจัดมนทินนั้นเสียโดยพลัน อย่าปล่อยไว้ให้อย่างลึกลงไปในสันดานจนกลายเป็นเสียงแก่ยากถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นสันดานติดตามไปหลายชาติเรื่องนี้พระศ า, าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ยืนดูภิกษุห่มจีวร ในที่ห่มจีวรของภิกษุแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นพื้นหญ้าภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรอยู่ชายจีวรเกลือกลัวด้วยหญ้าที่เปียกน้ําค้างพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราควรจะถางหญ้าออกเสียวันรุ่งขึ้นจึงไปดายหญ้าออกทําเป็นลานกลมต่อมาพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุรูปหนึ่งเกลือกลัวด้วยฝุน่นจึงคิดว่าเราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วขนทรายมาเกลี่ยลง ต่อมาอีกวันหนึ่งก่อนอาหารเช้าแดดร้อนจัดพรามเห็นเหงื่อไหลออกจากกายของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังห่มจีวร อ, อยู่จึงคิดว่าเราควรสร้างบุดบในที่นี้แล้วให้ช่างสร้างบุงดบรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมีฝนตกพรำแต่เช้าตรู่พรามเห็นภิกษุจีวรเปียกจึงคิดว่าเราควรสร้างศาลาในที่นี้เมื่อสร้างศาลาแล้วจึงคิดจะฉลองศาลา ได้นิมนต์ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขถวายทานแล้วเมื่อเสร็จพัฒกิจรับบาพระาศาสดาเพื่อให้พระองค์อนุโมทนากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพ ร, ราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตย่อมสร้างกุศลคราวละน้อยทุกขณะย่อมสามารถกำจัดมนตินของตนได้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนลถินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมนลถินของทองฉะนั้นมีในยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลอันนี้ก็เป็นมนลถิ น, นอกีกประเภทหนึ่งในมนลถิ น, นในมีหลายๆข้อ ขยายไปทั้ง16ข้อเนี่ก็ล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งหยาบทั้งละเอียดยก็คงเข้าใจได้ดีแนละ้วท่านก็ขยายความได้ชัดเจนอยู่แล้ว